โลกียธรรมวันที่29คสพฤษภาคม2559การาบนก้าบรสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณแ ม, ม่ชีกาลยมิตรทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะก็เป็นคืนวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วพ่อครูไม่ได้พูดเพราะพูดวันวิสาขาบูชานะแล้วก็วันนั้นเราพูดเรื่องโลกุตลธรรม พูดถึงเรื่องพระอรหันต์อาทิตนี้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่พูดถึงเรื่องโลกิยะนะก่อนจะพูดถึงเรื่องโลกิยะเมื่อกี้ปุ๊บเขาเตือนว่ามีคำถามสองใบที่พวกครูลืมอยู่ในห้องก็เลยไปเปิดไปดูเนาะการเรียนพวอครูกิเลสบางอย่างที่เราเห็นเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเกินการกินจุกกินกินจุก กินจิกหรือการแต่งหน้าเกินความจําเป็นเรารู้ตัวแต่เรายังฝืนไม่ได้มันจะมีผลเสียหรือเป็นสิ่งขวางกั้นการเดินสู่นิพพานไหมแต่มันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนกิเลสมันเข้าใจพูด <c oughs> มันทําให้ตัวเองเดือดร้อนหนึ่งเราต้องเสียเวลากับมันนะการใช้มือถือเยอะเกินไปพวกครูบอกแล้วว่า มหมายเวลยฮาวาดไม่ใช่ชิคาโกเขาเคยวิจัยสรุปผลแล้วว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยยิ่งกว่าการติดยาเสพติดนะลังสีมันแล้วก็กินเลดความเคยชินเราขาดมันไม่ได้นะถ้าอะไรเคร่างอะทำเกินไปก็คือไม่ดีแม้กระทั่งกินข้าวกินข้าวมากเกินไปก็ไม่ดีนะข้าวมีประโยชน์แต่อะไรมากเป็นเกินไปก็คือไม่ดี ยุคนี้เราไม่ใช้ไม่ได้ใช้แค่พอดีแต่เรื่องแต่งหน้าสวยๆงามๆเนี่ยถ้าทําตามกิเลสปกติถ้าไม่เนื่องด้วยตัณหาเออถึงเวลาทาเราก็ทาแต่ถึงเวลาไม่ทาเราก็ไม่รู้สึกทุกข์ก็ไม่เป็นไรมันเป็นกิเลสเหมือนอรหันต์จี้คงกินเหล้านั่นแหละแต่ถ้าพระอรหันต์จี้คงกินเหล้าเนื่องจากว่าจิต ท, ท่านหลุดพ้นแล้วเนี่ยท่านไม่ถูกเหล้ากิน แต่พวกเราถ้าไปติดสวยๆงามๆนะ อ, อันนี้เป็นกิเลสมันขวางกั้นทางเดินของจิตแน่นอนเพียงแต่ว่าอย่าไปซีเรียสนะมุ่งมั่นส่วนที่ปฏิบัติไปเดี๋ยวมันจะลดลาเลิกด้วยตัวมันเองนะมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ตัวเองต้องเดือดร้อนต้องเสียเงินกับมันต้องเสียเวลาต้องใช้ประสาทต้องใช้ใบหน้าตามธรรมชาติไปโปะให้มันเปื้อนและสุดท้าย ใบหน้าที่ปรุงแต่งพออายุมากขึ้นเดี๋ยวมันจะแสดงอาการเนาะก็รู้อยู่แล้วว่ามีกิเลสรู้อยู่แล้วนี่คือปัญญาก็ค่อยๆลดละเลิกอย่าไปเครียดกับมันมากมายขอากราบเรียนถางพระครูว่าหนึ่งคนที่มีไอพิญญามีฤทธิ์มีเดชมีพลังสามารถช่วยผู้อื่นได้ไหมคะถ้าไม่ได้ จะมีมันไปทำอะไรคำตอบคือช่วยได้นะเหมือนเรามีกำลังแข็งแรงเนี่ยเราก็ช่วยเขายกของได้นะแต่ถ้าใช้ลิตเดชตัว น, นั้นเน่ไปแสดงอภิญญาเพื่ออะไรละ่ะเออเราไปติดลิตรตรง น, นั้นแล้วก็ออยังสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่พระโมกขลานะนะที่เราดูภาพยนต์เนี่ยมีภาพรูปหนึ่งพระครูจำชื่อไม่ได้ พระสหายเนี่ยเดินไปบิณฑบาตด้วยกันถูกพวกเศรษฐีนี่ด่าว่าพวกขอทานอะไรเนี่ยนะท่านก็นิ่งแต่ทีนี้ไปก้าว่วงพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยท่านทนไม่ได้นะเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยท้าว่าเอาละถ้าคือเขาเอาบาตไว้บนบนเสาไม้สูงๆนะถ้าหอขึ้นไปได้เนี่ยเขาจะนับถือนะ พระอาหารหันต์รูปนั้นท่านก็นั่งกับมาฐานท่านก็ลอยขึ้นไปแล้วก็เอาฝาบาทลงมาพวกเศรษฐีชาวบ้านก็เคารพนับถือแต่พอเข้าไปถึงสำนักผู้ริเจ้าเห็นเลยไปทาอะไรมานะท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าอย่ากระทำอุบายบางอย่างนี่จะเป็นการหมิ่นเมจะคนเดี๋ยวเขาจะไปหลงว่าการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยต้องไปฝึกพวกอภิญญานี้ก่อน นะอภิญยาถ้าไปหลงติดมันไม่ใช่ทางคนทุกแม้กระทั่งพระโมคคาานะเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้นะแต่วินาทีนั้นนะวิบากกรรมมาถึงเนี่ยนะเขาเอามาทุบท่าน่ะท่านทำไมไม่หอหนีท่านยอมตายนะแต่จิตเวลานั้นเราไม่ทุกแล้วนะพลังงานจากสิ่งนี้รับมีจริงไหมคะแล้วมันสามารถถ่ายทอดสู่คนได้หรือเปล่าหรือมันเป็น จิตในอดีตหรือเป็นเพียงแค่การคิดปรุงแต่งไปเองก็พลังงานจากสิ่งลี้ลับคลัำว่าลี้ลับหมายถึงสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นเนี่ยนะมันมีจริงแต่มันไม่ใช่สิ่งลี้ลับมันเป็นเรื่องเป็นปกติเหมือนถ้าเราฝึกตัวสักพักหนึ่งเนี่ยนะเรากลายเป็นมีทิพย์พยาจักสูนะตาทิพหูทิพไก่แค่ไหนก็ได้ยินอะไรเนี่ยนะมันเป็นธรรมดา เราเอาก้อนเนื้อก้อนหนึ่งนี่ไปทิ้งไว้ในห้องเนี่ยสุนัขมาดูว่ามีก้อนเนื้อเพราะประสาทดมกลิ่นมันบริสุทธิ์มันกลินนกลน่นก็ส่งออกมาร้อยหนึ่งแต่จิตเรามันเปื้อนเรารับได้แค่สิบซสิ่งนี้เรากลายเป็นว่าอภิญญากลายเป็นสิ่งที่ลี้ลับเนาะแล้วไอพลังงานที่เราจับต้องไม่ได้หรือวิทยาศาสตร์ เ, เข้าไปไม่ถึงเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งลี้ลับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลี้ลับมันเป็นตามธรรมชาติ อยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยจะมีอินทรีย์พละเข้าถึงตรงนั้นหรือไม่นะส่วนเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดอาการกับเราเนี่ยนะมันมีสองอย่างนะภาษาอังกฤษบอกอันหนึ่งเอาไซอินอันหนึ่งคืออินไซเอานพวกเราฝึกเข้าไปในจิตแล้วที่มันแสดงออกมันออกมาจากข้างในมันเป็นจิตเดิมเราแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าผีเข้าเข้าทรง พวกนั้นพลังข้างนอกมาครอบงมเรานะอันนั้นเป็นอวิชชาเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อการพ้นทุกข์ก็อะไรเกิดขึ้นก็ช่างสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอภิญญาเหล่านี้บางทีไม่ต้องฝึกนะจิตเดิมเราฝึกมามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าวัฒน์าสนาเก่าเรานะพอจิตเราเปิดปุ๊บมันก็จะแสดงตัวนะยังยังคุณไม่ชี้น้อยเนี่ย ตอนนี้บางคนก็ทําโยคะได้ไงเอาสองขาพาดคออะไรอะไรเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็เหมือนอภิญญาอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เคยฝึกเลยทําไมเราทําได้อันนี้มันออกมาจากข้างในเป็นปัญญาเดิมของเรานะบางอย่างเกิดจากการคิดปรุงแต่งบางทีเราเห็นนีมิต่จริงนะแล้วก็ปรุงไปเรื่อยๆคือเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิต มาสร้างนิมิตเพื่อมาสอบจิตปัจจุบันว่าเบี่ยงทิ้งไหมรู้เท่าทันไหมนี่แหละพ่อครูถึงบอกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้นะเขามาประเมินว่าเราเบี่ยงทิ้งไหมทิ้งไหมตอนนี้เราจิตปัจจุบันมันมีกิเลสพอไปเห็นจิตเดิมมันแสดงอภินให้เห็นนิมิตโอ้ยิ่งใหญ่มากเราไม่ยอมเบี่ยงไงแสดงว่าเราสอบตกไม่ต้องห่วงนะ ที่เรามานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเราเคยยิ่งใหญ่มาแล้วหลายชาติโดยเฉพาะคุณไม่ชีน้อยเนียนน้อยเนี่ยอายุขนาดนี้มีโอกาสได้บวชเนี่ไม่ใช่ธรรมดาลูกนะก็เรายิ่งใหญ่เราถึงได้มาเกิดไงเราปฏิบัติเพื่อเราจะไม่เป็นอะไรอีกแล้วจะไม่ยิ่งใหญ่อีกต่อไปนั่นคือทางพ้นทุกปฏิบัติแล้วไม่ใช่หลงอัตตาตัวตนนะโอ้ฉันมียพิญญามากกว่าคนอันนั้นผิดแล้ว ปฏิบัติแล้วยิ่งอัตตาเยอะนั่นผิดแล้วนะปฏิบัติแล้วยิ่งไม่มีอัตตาลดอัตตาลงมานั่นคือทางพลทุกข์ข้อที่สมตกลงว่ามนุษย์ผู้เปริฐควรอยู่แบบปัจเจกบุคคลหรืออยู่แบบสัตสังคมคะแล้วพระอริยะส่วนใหญ่ถึงเลือกปีกตัวไปอยู่ตามป่าเขาไม่ยุ่งกับใครคือท่านก็อยู่กับใครก็ได้แต่ถ้าเรามีทางเลือกสมมติว่าเรามีทางเลือก ไอ้ที่นี่มันทะเลาะกันทุกวันกระทบหูฝุ่นละอองก็ไม่ดีใช่ไหมแต่เราไม่อยู่ไปปีกเวียกอยู่ในป่าคนเดียวไม่มีสิ่งกระทบเลยถ้าเราเลือกได้สัญชาตญาณเราก็ต้องเลือกที่มันมันสงบแต่ว่าไม่ใช่ต้องหนีมันนะถ้าจําเป็นต้องอยู่กับหมู่คณะก็อยู่ได้เหมือนกันนะมันกระทบมันไม่กระเทือนนะที่บอกว่าจิตถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยเขาจะอยู่แบบผู้ครองเรือนไม่ได้นะ ว่าผู้ครองเดือนคือใช้ชีวิตแบบวิถีผู้ครองเดือนทั่วไปนะถ้าท่านไม่บวชท่านก็ปีกมาอยู่ในป่าในดงจะใช้ชีวิตแบบผู้ครองเดือนต่อไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุต้องทำเมื่อมันเลือกได้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะจิตซึ่งถึงท่านนั่นแล้วเนี่ยในโบราณเนี่ยส่วนมากท่านเลือกบวชเพื่อป้องกันไม่ให้ญาติโยมเนี่ยไปสร้างกรรมกับท่านมันจะตีกับเข้าใจไหม นะเขาเลือกเหมือนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแบบนั้นนะมีแต่ว่าคำว่าบรรลุทำเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเพียงแต่ว่าอุบายในการบวชนันผู้เจ้าวางไว้นะ่ะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพู้บริษัทซสีเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่สมัยก่อนไม่มีญาติโยมคนไหนกล้าแตะพระภิกษุนะไม่มีทางนะทุกวันนี้มันดา่ดาเอาด่าเอานะแม้กระทั่งพระผู้ใหญ่ พวกคุณไม่เรียกว่าท่านเสียสละบวชตั้งแต่เป็นเนนจนคองตนรักษาพรมวันจันทร์จนอายุเก้าสิบกว่าขั้นสูงสุดแล้วคนทุกวันยังกล้าด่ายุคนี้มันมันจบแล้วนะเอาไปว่าห่มดังนั้ น, น่ะมันไม่เกิดประโยชน์ละมันป้องกันอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็ให้เข้าใจก็คือร บ, บปีกไปอยู่คนเดียวก็ได้เด้วอยู่กับหมู่คณะก็ได้นะ ตามเหตุและปัจจัยนะไม่ใช่หนีมันนะเออไม่ใช่หนีมันมนไม่ได้ตั้งใจหนีไม่เราเลือกได้แล้วก็ถอยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คือคื อ, คอกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลถ้ากรรมปัจจุบันเราเลือกที่จะหาเงินเราจะเอาเงินเป็นใหญ่แล้วก็ถอสังขารเราไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเพราะอยากเราได้เงินแน่นอนเขตเหล่านั้นนะ่ะมันต้องมีมวลภาวะ แล้วก็สูตรบนภาวะนะกินอาหารสารพิษอะไรอันนี้กรรมปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดผลนะแต่ถ้าจิตแล้วไม่มีกิเลสแล้วแล้วไม่มีเงินเป็นพระเจ้าเรามีชื่อเป็นพระเจ้าเวลาที่เหลือถ้าเราเลือกได้เราก็เลือกไปในสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ไม่ใช่เราติดสุขนะไม่ใช่เป็นสัญชาตญาณเป็นความปกติจิตซึ่งมีปัญญาแล้วเนี่ยย่อมเลือกสิ่งแวดล้อมที่ ถึงเราจะกระทบไม่กระเทือนก็ช่างนะเขาก็ไปอยู่ในจุดที่วิเวกน้องคำว่าไม่ยุ่งกับใครเนี่ยไม่ใช่ท่านตั้งใจจะทําอย่างนั้นนะไม่ใช่พระพุทธองค์แดงยังยุ่งยุ่งยุ่ ง, งบวชให้บวชให้บวชให้ไปเทศนาทั้งญาติทั้งโยมอะไรอยู่นะยังยุ่งอยู่นะบางคนว่าอุ๊ยพระละหันไปแล้วไม่ยุ่งกับใครไม่จริง เจ้าชายสิทธัตถะทัศลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าใ น, นวันวิสาขาบูชาจบแล้วไงไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วบรรลุแล้วเนี่ยทําไมยังต้องสร้างศาสนาขึ้นมาเนี่ยไปยุ่งกับผู้คนอีกสี่สห้าพรรษาอันนั้นไม่ใช่ยุ่งกับไม่ยุ่งทําหน้าที่โอเคนะถึงเวลานั้ น, นอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้เมื่อกี้พระครูเกินแล้ว อาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึงเรื่องโล ก, กุตลธรรมพูดถึงพระอาหารหันต์ทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพ่อครูเข้าไปในเมืองบังเอิญนั่งอยู่บ้านอาติธรรมก็เห็นหนังสือพิมพ์ก็มาั่งดูนะสามสีฉบับตรงหน้าหนึ่งหมดนะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนในวงการการศึกษาแล้วก็ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเป็นเรื่องที่มันสะท้อนให้เห็นสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างไรอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องโล ก, กุตละธรรมเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณถ้าพัฒนาจนสูงสุดที่เราสรัมนุษเรียกว่าสําเร็จแล้วเนี่ยเราเรียกว่าพระอรหันต์แม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่องภาหิยะท่านไม่มีโอกาสได้บวชบรรลุแล้วท้องการบวชพระเจ้าถามว่ามีบาศไม่มีอะไรอะไรช่วงที่กําลังเดินหาอยู่ก็ถูกวัวขิดตาย ถึงจะตายตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทุกข์กับมันแล้วท่านท่านจากไปแล้วเนี่ยจบไม่จบท่านไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นคือสำเร็จจริงๆส่วนในทางโลกิยะธรรมเนี่ยถ้าพูดถึงการศึกษาสูงสุดคืออะไรปริญญาเอกเรียกว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่พอนะแย่งกันตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยระดับรองศาสตราจารย์ผู้ชาสราจารย์นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์จบมาใหม่ๆคนหนึ่งจบถึงอายุห0สอีกคนหนึ่งห้าอีกคนหนึ่งห้าิกว่าเนี่ยนะคนห0สบเนี่ยเอาปืนไปยิงอีกสองคนตายแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายมันสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่อง ที่อาจารย์พุทธาธาสพูดบ่อยๆว่าการศึกษาหมาหางด้วนนะคุณไม่ชีน้อยเน่นน้อยฟังนะลูกนะทำไมพ่อคูจัดพิธีให้มีโอกาสเราได้บวชนะพ่อคูก็เกินเกินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกำลังมองหาคนอยู่วันนี้เนื่องจากเกี่ยวกับโลกิยธรรมตอนนี้นักเรียนเราแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งราวนาตัวบวชนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงกับพระราชินีของเราแสดงออกถึงความกระตันยูรู้คุนแผ่นดินเกิดอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์ส่วนอีกบางกลุ่มเขาก็อยากบวชแต่เขามีหน้าที่นะเขารับปากพระครูแล้วว่าเขาต้องเป็นตัวแทนรุ่นแรกเนี่ยพระครูก็ขอก็คุยเรื่องแพทยแผนไทยให้ฟังนะที่นี้เขาก็ต้องเตรียมตัวนะ เพื่อจะไปเรียนนะทุกวันนี้บางทีเราก็ต้องเรียนเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนถ้าสมัยก่อนไม่ต้องเรียนหรอกบวชแล้วก็จบปลอดภัยแต่ทุกวันนี้เนี่ยการดำรงชีวิตในสังคมเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้เอาความรู้ถึงมีงานทำมีอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่ามันสุดโต่งเกินไปเดี๋ยวพระครูจะอธิบายที่หลังตอนนี้กาลังมองกลุ่มที่เป็นตัวแทน อันนี้เป็นเรื่องของโลกิยะแต่เป็นโลกิยะไม่ใช่โลกิยะก็เป็นเรื่องไม่ดีนะถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ทำสิ่งดีๆสร้างประโยชน์ให้ตัวเองให้สังคมให้มนุษยชาติได้นะตอนนี้เชิญพี่หมวยดีกว่าพี่หมวยมาไหมมาลูกมาอ่านหนังสือพิมพ์ให้พ่อกูฟังไม่ยาวลูกนะก็เราก็ฟังข่าวนี้ไปพร้อมๆกันจริงๆแล้ว มันต่อกันห ล, ห, ลหลายหลายวันนะอันนี้พ่อครูเอามาฉบับเดียวให้รู้เนื้อหาก็พอนะก่อมเจ็ดชั่วโมงไม่ได้ผลยิงหัวดับด็อกเตอร์หนีผิดฆ่าสองด็อกเตอร์ตำรวจแกะรอยพบชุกม่านรูดตามคนใกล้ชิดช่วยเจรจา อ้างแค้นสะสมแค้นคนหยามด็อเตอร์ปืนลัน่นไกลใส่ขมับตัวเองมนีความผิดหลังตำรวจล้อมระทึกนานเกือบเจ็ดชั่วโมงเริ่มจากกองป่า ป, ปามเกาะลอยไปเจอขณะขับรถเก๋งออกจากโรงแรมย่านสะพานควายตั้งแต่ช่วงเที่ยงแต่ผู้ต้องหา แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมมอบตัวซ้ำคว้วาปืนจ่อหัวตัวเองท่ามกลางบิ๊กตำรวจและคนสนิทช่วยกันเกี้ยกลมก่อนจบชีวิตเจ้าตัวโยนเอกสารให้ตำรวจมีข้อความบรรยายแข้นที่สะสมมานานข้าให้ข่าให้ได้อย่าไม่ได้อ้างถูกคนตายทั้งคู่รวมหัวรวมหัวกันแกล้ง ขณะที่สอบสวนหาสาเหตุระบุปเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณวุฒิคุณวุฒิปริญญาเอกเช่นเดียวกับอ ธ, ธิการบดีราชพัฒ์บอกเคยเรียกมือปืนมาพูดคุยเรื่องวุฒธธิดังกล่าวของด็อเตอร์พิพัฒน์ว่าสอกออมีหนังสือรับรองแล้วด้านสองครอบครัวร่ำให้รับศพโดย โดยเมียด็อเตอร์พิชัยเผยสามีพูดถึงมือปืนหลายครั้งมีปัญหากันเรื่องงานตลอดส่วนศพด็อกเตอร์นัท พ, พงศ์ญาตินำกลับไปทำพิธีที่ชุมพรบ้านเกิดจากสาเหตุสะเทือนขวัญเมื่อด็อกเตอร์วันชัยดนัยดโมนุตอายุ60สปี อาจารย์ประจําวิทยาลัยการฝึกหัดคูสาขาการบริหารการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครชักปืน9ม ม, มจ่อ ย, ยิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดกเตรพิชัยชยยสงคำอายุ56ปีประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และด็อเตอร์นัทพูลชุมวราทายีอายุ54ปีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยายลัยราชพัฒพระนครเสียชีวิตภายในห้องเลขที่502ชั้น5อาคารเรียนรมและศูนย์วัฒนธรรมพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครบางเขนแขวนอนุสาวรีย์เขตบางเขนเมื่อเช้าวันที่18เมื่อเช้าวันที่18พคออหลังเกิดเหตุดอกเตอร์วันชัยขับรถเก๋งส่วนตัวหลบนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจปได้เปาะ ได้เบาะแสล้อมจับด็อเตอร์โฮดในที่สุดตำรวจพบตัวด็อเตอร์วันชัยมือฆ่าสองด็อเตอร์กบดานในโรงแรมกลางกรุงโดยเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่19วันที่19พฤษภาคมพลตำรวจเอกจิรภพภูริเดชผู้กากะพอกออก1ออ พนตำรวจโทรัชภูมิกุสุมานสาวกึกงพนตำรวจโทพเดชงามและม่อมและม่อมสวกๆๆึ่ .1 พร้อมกำลังเดินทางไปตรวจสอบที่โรงแรมสุภาพถนนสุธิสุธิสารวินิจฉัยซอยสุทธิสาร1แขวนสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครหลังเชิญลูกศิษย์สาวที่มีความสนิทสนมกับด็อเตอร์วันชัยดันตะโมนุตมาสอบถามประกอบการใช้วิธีสืบสวนทางเทคนิคจนได้ข้อมูลว่าหลังก่อเหตุด็อเตอร์วันชัยมาเปิดห้องกับกบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยลักษณะโรงแรมดังกล่าวมีห้าชั้น และมีส่วนของห้องพักชั่วคราวลักษณะเป็นม่านรูดม่านรูดอยู่อีกหลายห้องใช้ปืนจ่อหัวตัวเองไม่ยอมมอบตัวเมื่อกำลังตำรวจกองปราบปรามเข้ามาถึงด็อเตอร์วันชัยกำลังขับรถเก๋งยี่ห้อนิสนสันซันนี่สีน้ำตาลทะเบียนคน3398กกรุงเทพมหานครออกจาก การจอดออกจากลานจอดรถของโรงแรมพอดีพลตำรวจเอกจิระภพจึงนำรถจอดขวางทางออกพร้อมแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอให้มอบตัวแต่ดรวันชัยไม่ยอมพร้อมถอยรถกลับไปอยู่กลางลานจอดรถพร้อมเปิดประตูรถลงมาโดยดรวันชัยอยู่ในชุดเสื้อโปโลคอวีแขนสั้น สีกรมท่ทากลางแขนขาสามส่วนกลางแขนขาสามส่วนสีครีมรองเท้าแตะมือขวาถือปืนแม็กกาซีนไม่ทราบยี่ห้อคาดว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงคู่กรณีมาเจาที่ศีรษะและไม่ยอมให้ตำรวจเข้าใกล้บิ๊กตำรวจสั่งปิดล้อมพื้นที่พลตำรวจเอกจิรภาพ จึงประสานไปยังที่พลตารวจโทต่อศักสุขุมวิมนต์นเอากําลังคอมมอดโสิบนายเดินทางมาปิดล้อมที่เหตุการณ์พร้อมรายงานไปยังพลตารวจโททิติลาศน้องหารพิทักษ์เดินทางมาพร้อมกับพลตารวจโทสานิตมหาทวร์พลตำรวจโ ท, ส, า ท, าจโทสุวัสด์แจ้งยอดสุข รองผู้ช่วยป่าปานพลตำรวจโทเจริญสีสละลักษ์ผู้ช่วยกองผู้ช่วยป่าปานพลตำรวจเอกนบพศินพูนสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจสอ น, นอบางซื่อมาปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ที่เกิดเหตุโยนเอกสารให้ ตำรวจระบุเหตุฆาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อไปยังคนสนิทดรวันชัยหลายคนให้เข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมในขณะที่ดรวันชัยยังคงมีอาการเครียดใช้ปืนจอ่อศีรษะและนิ้วชี้อยู่ในโรงไกลตลอดเวลาท่ามกลางการเกลี้ยกล่อมของพลตำรวจโททิฐิราชและพลตำรวจโทสารนิต โดยพลตำรวจโทสารนิตพูดผ่านโทรโทรงให้ดรอกอร์วัชัยยอมมอบตัวกับตำรวจว่าทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ขอให้มอบมอบตัวสู้คดีหลังพ้นโทษยังสามารถทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อีกตนเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้จะให้ความเป็นธรรมได้ถ้ายอมวางปืนมอบตัวแต่โดยดี แต่ด็อเตอร์วันชัยปฏิเสธพร้อมโยนกระดาษ A4 สมาให้พลตำรวจเอกจิรพูสองชุดที่มีข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ความระบายถึงด็อเตอร์พิชัยห้าแผ่นและด็อเตอร์นัทพลสองแผ่นบรรยายแค้นค่าได้อย่าไม่ได้โดยใจความในเอกสารสรุปคล้ายๆกันว่าถูกผู้ตายทั้งคู่ร่วมหัวกันแกล้งเลื่อยมา โดยดอร์พิชัยได้ให้นักศึกษาร้องเรียนตนเรื่องการให้เกตไม่เป็นไม่เป็นธรรมดาไม่เป็นธรรมและให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนรวมทั้งยังปล่อยตนออกจากปลดตนออกจากหน้าที่การสอนและให้ภรรยาของดตอร์พิชัยเข้ามาสอนแทนโดยอาศัยการเป็นประธานสภ า, าการบริหาร นักศึกษาและปริญญาโทและยังกันแกล้งมาอีกหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ค่าได้แต่ย้ำแต่ยามไม่ได้ส่วนดรนัทพลมีปัญหากับตนในเรื่องคล้ายๆกันคือร่วมกันกันแกล้งตนมาตลอดโดยคิดจะลงมือตั้งแต่1ิบปีที่แล้วแต่ยังมีความคิดตอนนั้นว่า ยังไม่อยากตายเลยเก็บความแค้นสะสมมาเรื่อยๆโดยการกระทำของตนครั้งนี้จะทำให้อาจารย์หลายๆคนมีความรู้สึกดีขึ้นเพราะถูกทั้งคู่รวมกันแกล้งมาตลอดโดยข้อความที่พิมพ์ไว้ระบุว่าด็อกอร์วัชัยกำลังจะไปทำธุรกิจที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นจะฆ่าตัวตายและให้อาจารย์สองคน ช่วยจัดงานศพให้ด้วยเครียดหนักสไลด์ปืนขึ้นลำจากนั้นด็อกเตอร์วันชัยก็เดินเข้าออกรถเรื่อยๆแต่จังหวะลงจากรถก็จะใช้ปืนจ่อที่ศีรษะตนเองพร้อมมองข้างซ้ายขวาด้วยความระแวงและสไลด์ปืนขึ้นสไลด์ปืนขึ้นลำลำบางครั้งก็ยกมือ ว่ายต่อมาเวลา16นาฬิกามนาทีมีตำรวจชุดอรินทราช26อาวุธครบมือเดินทางมาสมทบ พ, พร้อมกับสลับการเจรจาผ่านโทรคงให้ด็อเตอร์วันชัยมอบตัวพร้อมกพร้อมกับผู้สื่อข่าวช่างภาพและผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปรวมกันอยู่ด้านหน้าเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน สถานการณ์ยังคงใช้การเจ ร, าเ จ, ราจากันอยู่เครียดจัดก่อนลั่นกายเข้าขมับตลอดระยะการเกี้ยกล่อมดรวัญชัยมีอาการเครียดหนักขึ้นเรื่อยๆโดยขอบุหรี่สูบพร้อมขอน้ำเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจได้จัดให้จนกระทั่งเวลา18นาฬิกา44นาทีหรือเป็นระยะเวลาเกือบ7ชั่วโมง ด็อเตอร์วันชัยได้ถือปืนจ่อหัวตัวเองไปนั่งคุกเข่าอยู่กลางลานจอดของโรงแรมหลังรถเก่งที่ขับมาประมาณสองเมตรโดยมีญาติสนิทสองคนเป็นหญิงชราและหญิงสาวไม่ทราบชื่อที่ร่วมเกี้ยก่อมตั้งแต่นาทีแรกอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆโดยด็อเตอร์วันชัยนั่งคุกเข่าอยู่นาน15นาทีก่อนตัดสินใจ ยกปืนเจอะขมับขวาแล้วเหนียวไก่หนึ่งนัดล้มฟุบทันทีเซชินส่วนมันสมองปนเลือดกระจายน่าสยดสยองท่ามกลางการตกตะลึงของผู้อยู่ในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รีบเปิดประตูให้รถกู้ชีพพะมงกุดก้าวิ่งเข้ามาเพื่อรับตัวไปโรงพยาบาลเปาโลทันทีกู้ภัยบอกล่างด็อเตอร์ไร้ชีพจะ ชีพจีจ ท, ทันทีที่ร่างด็อกเตอร์วัญชัยถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเปาโลแพทย์ได้นำเข้าห้องให้การช่วยเหลือโดยมีรปภและเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจสายตรวจสอนนอบังซื้อเข้าคุมพื้นที่ไม่ให้ช่างภาพเข้าไปถ่ายภาพอย่างไรก็ตามจากการสอบถามนายนิรุตจันงามอายุ38ปี อาสาสมัครกู้ภัยปอเต็กึงผู้นำร่างด็อเตอร์วันชัยส่งเปิดเผยว่าหลังมีเสียงปืนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกให้ทีมกู้ชีพเข้าไปพบร่างด็อเตอร์วันชัยนอนอยู่กับพื้นเบื้องต้นชีพจรไม่มีพบบาดแผลกระสุนปืนเข้าที่ขมับขวาเลือดไหลออกตลอดเวลาหน่วยกู้ภัยได้ห้ามเลือดพร้อม ปั๊มหัวใจมาตลอดในระยะเวลาไม่ถึงหนาทีนำส่งถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเปาโลขณะนี้ถึงมือแพทย์แล้วแต่ไม่มีใครออกมายืนยันอาการล่าสุดของด็อกเตอร์วันชัยว่าเป็นเช่นไรสานิสเชื่อด็อเตอร์มีทางเลือกในใจขณะที่พลตำรวจโทรสานิช มหาทาวรเปิดเผยหลังการตัดสินใจยิงตัวตายของดออรวันชัยว่าตนเชื่อมั่นในตัวอาจารย์วันชัยมากเชื่อว่าท่านมอบตัวเพราะก่อนหน้านั้นได้พูดคุยกันและบอกว่าให้คดีนี้เข้าสู่กระ บ, บวนการยุติธรรมขอเขาก็พยักหน้าแต่ท่านอาจจะ ม, มีทางเลือกของท่านช่วงสุดท้าย เลยปล่อยให้คนสนิทคุยกันเองจะได้ผ่ผอนคลายบรรยากาศลงแต่สังเกตบางอย่างบางหนึ่งว่าท่านมองนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้อยู่ในมือของอยู่ในมือแพทย์ขอให้ท่านปลอดภัยแต่หากเป็นอะไรไปก็ขอแสดงความเสียใจต่อดวงวิญญาณของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สังคมเราจะได้เดินหน้าต่อไป ก็สาธุสาธุสาธุาธพี่มวยเนาะก็อย่างอื่นก็เป็นรายละเอียดไม่มีอะไรการศึกษาทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราทั้งโลกตอนนี้เด็กหนุ่มสาวญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเยอะมากหลายปีก่อนเขาเคยมีเด็กญี่ปุ่น เขาเรียกว่าไม่ใช่เลกแลกเปลี่ยนนะมาอยู่ที่บ้านแหลมทองฝากครอบครัวหนึ่งสองคนอยู่ในวัยกำลังประมาณมัธยมปลายทีนี้เขาก็ได้ยินข่าวที่นี่มีศูนย์อะไรอะไรเขาก็อยากมาดู ทีนี้มีตํารวจเรื่องข้อแบบน อ, นอกเครื่องแบบมาดูแลนะเขาต้องดูแลความปลอดภัยก็เขาอยากได้มาผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไรจะพามาดูที่นี่พอครูคุยกับพวกเขาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหนึ่งเขาน้ําตาไหลเลยว่าทําไมตั้งแต่เกิดมาเขาไม่ได้ยินคําว่าพัฒนาจิตบ้านเขามีแต่พัฒนาวัตถุ ต้องเก่งพ่อพ่อพ่ อ, พอแม่เขาฐานะก็ดีแล้วแต่เขาไม่เจอความสุขเลยนะเด็กคนญี่ปุ่นเขาแรงมากเรื่องมีวินัยเนี่ยเขาไม่ได้แพ้ใครในโลกนี้นะแต่พอเขาผิดพลาดในชีวิตแล้วเขาฆ่าตัวตายได้เขาเป็นคนมีวินยัยรับผิดชอบหน้าที่เขามากมันก็สุดโตง่งคือเขาไปติดเก่ง ถ้าเมื่อไหร่เขาแพ้เมื่อไหร่เขายอมที่จะสลาชีวิตเหมือนตัวเองแพ้สงครามฆ่าตัวตายหมดเขาแสดงถึงความรับผิดชอบของเขาก็คือการศึกษาทุกวันนี้เนื่องจากว่าโลกนี้ตั้งโจทย์ทุนนิยมแข่งขันเสรีไอตัวแข่งขันเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการขัดแย้งทั้งหมดทุกคนกังวลหมดกลัวจะแพ้อยากเป็นด็อกเตอร์ก็เรียนจนจบเป็นด็อกเตอร์แล้ว เป็นครูบาจารย์แม้กระทั่งจนอายุหกสิบแล้วเนี่ยยังคิดไม่เป็นนะคนที่ไปฆ่าคนอื่นเนี่ยบาปชีวิตต่อชีวิตเกิดมาชาติหน้าก็โดนฆ่าแต่คนที่ฆ่าตัวเองตายเนี่ยตายหงห้าร้อยชาติตายหงคืออะไรตายหงคือไม่ได้แก่ตายถ้าไม่โดนฆ่าก็เกิดอุปฏิเหตุ อะไรเนี่ยนะมันเป็นกำหนักเพราะธรรมชาติให้ร่างกายที่บอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐให้เราเนี่ยเราประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเรามีสมองโตกว่าช้างเราคิดที่จะทําความดีได้แต่ถ้าเราฆ่ามันเมื่อไหร่เนี่ยกำหนักนะถึงจะได้ร่างมนุษย์มาอีกทีหนึงก็เป็นร่างมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มาจ่ายหนี้กรรมอย่างเดียว นะแล้วก็คำว่าตายหงก็ว่า500ชาตินะประสบการณ์ที่สูนนี่เห็นมาหลายคนแล้วนะนะในกรรมฐานแสดงออกมาสังคมตอนนี้เกิดแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ว่าการศึกษามีปัญหาเพราะเราไปนเน้นที่ i อคนะไอภาษาอังกฤษมันคือ i n t e l l i g e n t นะค l ณลิตี้หมายถึงว่ามันเน้นเรื่องความฉลาดนะมีไหวพริบมีความเข้าใจหรือความรู้ดีอย่างคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บข้อมูลและปรับใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆสอนจะให้เป็นคนเก่งเก่งเรื่องเทคโนโลยีแต่ไม่เก่งการบริหารชีวิตตัวเองนะพวกครูบอกแล้วพวกครูเขียนแผนที่ชีวิต มนุษย์ประกอบประกอบด้วยสามส่วนใหญ่ๆนะรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปนี่คือกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟสมองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเจตสิกวิญญาณเป็นเรื่องของจิตแล้วประกอบด้วยสามส่วนใหญ่ๆแต่การศึกษาทุกวันนี้มันเป็นเน้นแต่เรื่องสมองเรื่องไอคิจนละเลยเรื่องอารมณ์ อารมณ์นิดมันเป็น EQ Emotional Quality นะคุณคุณภาพทางด้านอารมณ์เห็นแล้วก็อารมณ์ก็ยังไม่พอนะมันต้องบวกด้วย MQ Morality นะ Quality ก็หมายถึงว่าต้องมีคุณภาพทางด้านจิตวิญญาณก็คือทางด้านศีลละธรรมศีลละจิตต้องมีศีลละธรรมนะคุณธรรมเรามีอยู่แล้ว เต็มเปี่ยมนะอย่างทาซานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ต้องไปถือศีลแต่ตอนนี้ศีลห้าเรามันหายหมดมันถูกไอ้ความรู้ผิดเหล่านี้เนี่ยนะมาบล็อกไว้ความรู้ซึ่งแฝงด้วยความโลภโกรธหลงยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งอัตตาเยอะนะพรา ก, กูพูดบ่อยๆ บ, บางทีคนเป็นด็อกเตอร์ไม่เข้าใจเพราะกูไม่ตั้งใจ คนเป็นด็อกเตอร์ดีก็มีโง่ก็เยอะเนี่ยโง่หมดเนี่ยที่ไปยิงเขาตายแล้วตัวเองฆ่าตัวตายยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ไม่โง่จะยังไงเนี่ยมันตายโหง500รอชาตินะแถมตกนรกก่อนค่อยเกิดมาใหม่แล้วตายโหงอีกห้า500ชาติมันมันสุดยอดของความโง่แล้วเอาความโง่ตัวนี้มาสอนให้เด็กๆเนี่ยมันจะฉลาดได้ยังไงนะเด็กๆที่มีโอกาสบวชฟังพ่อครูลุบบุญเราเยอะแล้วนะ ช่วงที่เราบวชเนี่เราได้พัฒนาสมอย่างกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขและเราไม่ทิ้งเรื่องสมองยุคนี้นี่มันเนื่องจากว่าหลายสาขาอาชีพมันก็วัดกัน ว, วัดกันจากความรู้เรื่องวิชาการบ้างเราก็เรียนคู่กันไปแต่ไม่ใช่เทให้มันจนเป็นด็อกเตอร์แล้วมาฆ่าตัวตายนะเห็นหพวกครูเคยบอกว่าจบด็อกเตอร์ทางภาษาศาสตร์สูงที่สุดแล้วไง ปริญาเอกนะออกมาคุยกันไม่รู้ภาษานี่แหละอาจารย์พู้ไท่านพูดไม่ได้ผิดเลยว่าการศึกษาหมาหางด้นวนเรามีโรงเรียนสองแห่งพรกะกูพยายามพยายามอยู่แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวครูเขาก็ไปเรียนเขาก็ถูกสอนแบบแนั้นมาไงแต่ครูเราเนี่ยก็ยังดีพอสมควรเพราะกูก็อบรมอบรมทุกๆเทอมนั่นแหละแต่ทีนี้เขาออกไปตรงนั้นเขาก็ถูกยัดเยียดมาจากกระทรวงต้องให้เรียนวิชานั้นๆ เวลาประเมินก็ประเมินความจำของเด็กแล้วเรียนเยอะเกินไปวันเจ็ดแดหมวดวิชาแล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนเนี่ยมันก็เครียดไงเรื่องอารมณ์นี่แย่มากนะเรื่อง EQ ไม่มีเลยอย่าว่าเรื่องจิตวิญญาณเลยเด็กมันก็ไฝ่รู้ไงมันต้องการอยากเก่งไงมันก็ทุ่มเทเรื่องเก่งเรื่องวิชาการนะ อยากเก่งช่วยเพื่อนไม่ได้กลัวแพ้เพื่อนด้วยมันก็ให้ไม่ได้แต่โรงเรียนเราสองแห่งไม่ให้แข่งกันเองนะมีแต่ช่วยเหลือกันเพราะเราไม่ได้เน้นเรื่องแพ้ชนะนะเราเน้นเรื่องศีลธรรมคุณธรรมนั่นแหละมนุษย์เราประกอบมนุษย์ผู้ประเสริฐจริงๆเราต้องเตรียมความพร้อมก็คือกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีแค่นี้ชีวีมีสุขแต่บังเอิญยุคสมัยใหม่เราก็ต้อง พัฒนาสมองบ้างเพราะวิชาการมันเป็นแบบนั้นเราก็เรียนคู่กันไปนะอันนั้นเราไม่ปฏิเสธนะนั่นแหละเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์แล้วนี่ชาตินี้ยังมีความหวังเราเกิดมาเป็นคนเขาเรียกว่าคนนะพวกเราไม่รู้ภาษาจีนนะเดี๋ยวพออ่อครูลองเลง่าให้ฟังนะคาว่าคนในคนจีนเขาเขียนว่าเหยนเนี่ยก็คือขีดมาซ้าย ขีดเมื่อขวาเนี่ยเหมือนหนวดเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้เขาอ่านว่าเหยิ่นนี่แปลว่าคนแล้วต้องพัฒนาคนเนี่ยให้กลายเป็นมนุษย์ผู้เป็นเสริฐภาษาจีนเขาก็พัฒนาคนให้มันยืนตั้งขึ้นนะคนจีนเขาเรียกว่าเหยื่นจื่อผังก็คือมีคนเนี่ยอยู่ข้างๆและข้างหลังเขาก็เขียนคําว่าซานซานนี่แปลว่าภูเขา เยินซานอ่านรวมกันแปลว่าเซียนเยิ้นคนนี่พัฒนามาเป็นเซียนตั้งมั่นดังขุนเขาเซียนในภาษาจีนเนี่ยแปลเป็นทางสายพุทธเราเนี่ยก็คือพรหมพรหมวิหารคือที่อยู่ของพรหมนะพรหมคือมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ย แต่ว่าเซียนเนี่ยหรือพรมเนี่ยยังติดสุขอยู่แล้วเขาไปสู่พร ม, มโลกนะแต่ว่าตั้งมั่นดังขุนเขานะแต่ว่ายังติดสุขอยู่ยังไม่หมดเวรหมดกรรมก็ต้องมาเกิดอีกเห็นไหมเราต้องพัฒนาคนเนี่ยให้กลายเป็นมนุษย์เปิผู้ประเสริฐคือเป็นเซียนแล้วพัฒนาเซียนตัวนี้เนี่ยให้ก้าวไปสู่อริยบุคคลอริยบุคคลนี่คนจีนเขาอ่านเขาเรียกว่าฝอ ฝอฝอเนี่ยก็คือพระอริยะส่วนเหอสร้างเนี่ยเรียกว่าภิกษุนะภิกษุก็คือพุทธบริษัทสี่ยังไม่บรรลุธรรมแต่คำว่าฝอเนี่ยก็คือพระอริยะเจ้าขั้นต่ำสุดคือโสดาบันขึ้นไปถึงพระอหรหันต์ทีนี้เขาก็คนก็มีคนเหมือนเก่าแต่ข้างหลังเขาเขียนเอ่อตัวนี้เหมือนเหมือนอัตตาเนะขาฆ่าอัตตาทิ้ง คนซึ่งไม่มีอัตตาแล้วเนี่ยเรียกว่าฝ่คนจิงเขาเอาตัวหนังสือเนี่ยเอาจากความเป็นจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เกิดจากการพัฒนาของคนพระองค์ก็เกิดมาเป็นเจ้าชายชิลรก็คือคนเห็นหเราเป็นมนุษย์ผู้เปรตพัฒนาไปสู่เราเป็นคนพัฒนาไปสู่มนุษย์ผู้เปรตได้แล้วก็พัฒนาก้าวไปสู่อริยบุคคลได้ นี่คือความไม่ธรรมดาของเราแต่ตอนนี้เราเอาคนพัฒนากายเป็นนักนักการเมืองนักวิชาการนักธุรกิจนักการแพทย์นักกฎหมายนักแบกหัวขนพอไม่พอใจกูก็ฆ่ามันตายแล้วกูก็ฆ่าตัวเองตายแทนที่จะพัฒนาคนกายเป็นมุ่งมั่นเสิ็ พัฒนาคนกลายเป็นนักหนักหัวแบกหัวขนสร้างอัตราขึ้นนี่คือความผิดพลาดของมนุษยชาติในยุคนี้ก็มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งมาปฏิบัติเขาก็ติดต่อแก้ว่าเชิญพกอูไปเขาสร้างโรงเรียนอยู่อยากให้พระคูไปบรรยายเรื่องว่าออการศึกษาที่แท้จริงก็คืออะไรมันไม่ใช่ง่ายเราเปลี่ยนโครงสร้างโลกไม่ได้คือจุดเริ่มต้นมนุษย์ตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดแล้วว่า ความสุขเกิดจากการบริโภคต้องมีเรียนเก่งๆเอาความเก่งนี้ไปเอาเปรียบคนอื่นเห็นไหมด็อกเตอร์สาคนเอาเปรียบกั น, ก น, กนมาสุดท้ายก็ลงเอยกูฆ่ามึงแล้วกูฆ่าตัวเองตายนะมันตั้งโจทย์ผิดมันทําถูกแค่ไหนก็ผิดไม่ชีน้อยเนียนน้อยฝั่งปะกูเราทําทุกอย่างเพื่อชีวิตเราเรียนเพื่อชีวิตเราทางานเพื่อชีวิต ไม่ใช่เอาชีวิตไปสร้างอนาคตทุกวันนี้การศึกษามันสอนให้เราเนี่ยทำเพื่ออนาคตเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อสร้างอนาคตไงแล้วมันเครียดกันทั่วนหน้าโาครคภัยไข้เจ็บไม่เคยเกิดก็เกิดอีกเห็นไหมไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะตอนนี้โลกมันเอาเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งมันก็บีบการศึกษาก็ต้องสอนให้เศรษฐกิจต้องรวยก่อนค่อยสุข ทีนี้เพราะทุกคนแย่งเศรษฐกิจกันมันขัดผลประโยชน์กันมันก็เกี่ยวสังคมขัดแย้งกันเธอก็เครียดฉันก็เครียดสาธารณสุขตามมาเป็นยุคที่มนุษยชาติเราเนี่ยตกต่าที่สุดคนล้นลงพักคนล้นคุกล้นโรงพยาบาลมันไม่ใช่ยุคศีวิไลเป็นยุคที่ตกต่ําที่สุดของมวลมนุษยชาติ ถ้ายุคสรีเวลายจริงๆแล้วเนี่ยต้องไม่มีคนติดคุกไม่มีคนล้นโรงพักไม่มีคนล้นโรงพยาบาลไม่มีด็อกเตอร์ฆ่ากันนี่หละต้องอดทนนะลูกบางทีไม่อิสระนะต้องฟังนะคุณไม่ชีที่เป็นพี่เลี้ยงนล่วเนี่ยท่านไม่ได้กินเงินเดือนอะไรเลยนะท่านก็เหนื่อยนะและไม่ใช่เราคนสองคนนะท่านดูแลทั้งกี่คนนะ เรายิ่งเป็นคนโตเนี่ยยิ่งต้องมีสํานึกช่วยไม่ใช่อะไรไม่ถูกใจหน่อยนึงตัวเองก็เครียดตัวเองก็ทุกข์ถ้าเราเข้าใจชีวิตเนี่ยเราไม่มีเหตุผลต้องทุกข์แล้วก็ไม่ต้องอดทนด้วยเราต้องภูมิใจที่เราได้มาอยู่ที่นี่ที่มีคนดูแลเราถ้าคนไม่เหลียวแลเราเลยเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองนะเอ๊ะเราเป็นเราเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่า บางคนเขาใส่ใจเราเขาสั่งให้เราทำนู่นทำนี่เนี่ยเพราะท่านรักเรานะเออท่านไม่ได้ทำงานกินเงินเดือนเหมือนดอกเตอร์เห็นหต่างคนต่างมีเงินเดือน้ถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ลาออกสิเป็นถึงด็อกเตอร์ไปทำงานที่ไหนก็นได้ทำไมไปฆ่าเ้าตายทาไมตัวเองก็ฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยไม่รู้โง่ยังไงอย่าไปหลงสังคมมากนะลูกเราทท่นี่สอนให้พวกเรารู้เท่าทันสังคมอยู่กับโลกให้ได้ไม่ต้องไปตามโลก ตามไปว่าไม่ทันเห็นไหมเขาเรียนจนสูงสุดแล้วไงเป็นครูบาอาจารย์สอนปริยาโทปริยาเอกแล้วไงแล้วทำไมเขาแก้ปัญหาชีวิตเขาไม่ได้นี่คือบทพิสูจน์ว่าการศึกษาล้มเหลวเพราะมวลมนุษยชาติเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดอย่างพวกเราเคยไปนะพวกคูว่างๆก็พาพวกเราไปทัศนศึกษากันเรานั่งรถไปด้วยกันไปถึงสามแยกเหล่าอินแปง นะเออวันนั้นเราจะไปเที่ยวไหนล่ะไปกินข้าวที่เขื่อนใช่ไหมเราต้องเดียวซ้ายลูกไปศรีลินทอนเห็นไหมไปเขื่อนเลยเขื่อนไปหน่อยไปพัทยาน้อยแล้วก็ไปกินข้าวในแพรแต่บังเอิญว่าถ้าเราไปถึงสามอยา่างเรอินแปร์เราเลี้ยวผิดเลี้ยวไปทางขวาไปเข้า ป, ประเทศลาวเข้าไปช่องเม็กเราก็เห็นว่ารถลาวเขาชิดขวารถไทยเราชิดซ้ายนักวิชาการก็มานั่งทะเลาะกันเถอะว่าชิดขวาดีชิดซ้ายดี พวกวิศวกรก็บอกรถยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นมันว่าตัวเองดีหมดอะ่ะนะเซลขายของก็บอกว่าเอ้ยบริษัทนี้ดีกว่านะการบริการดีกว่าผู้จะขายเยอะๆนักปฏิบัติธรรมก็แจมด้วยว่าเออเธอต้องขับมีสมาธิมีสตินะถ้าขับมีสมาธิมีสติโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยมากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะขี้เล่ามันมาก็ชนเราได้แต่ถามว่าเนี่ยชีวิตนี้เราจะถึง พัทยาน้อยได้ัหมมันหลงทางนั่นแต่แรกแล้วเนี่ยขับดีแค่ไหนรถยี่ห้อยิ่งดีก็ยิ่งไปไกลนี่คือความผิดพลาดของมุนุษยชาติเราไม่เอาชีวิตเราเอาชีวิตเพื่อไปสร้างอนาคตแล้วก็มานั่งขัดแย้งกันไงดูมันโง่ขนาดไหนนะ แล้วเอาคนโง่มาสอนเด็กๆแล้วมันจะฉลาดได้หรือเปล่านะถ้าเรามีความรู้สึกไม่รู้เท่าทันอามอุ้ยน้อยใจนะไม่ได้ดั่งใจก็โกรธเนี่ยนะถ้าเรามีสติตื่นขึ้นปุ๊บเนี่ยความโกรธมันก็หายไปแล้วถ้าเราเข้าใจชีวิตว่าเออ เรากาลังทําอะไรอยู่เรากําลังทํางานที่ยิ่งใหญ่คนยิ่งใหญ่ไปโกรธทําไมแล้วถ้าครูบาอาจารย์เขาดูแลเราเนี่ยก็เขารักเราไงเขาใส่ใจเราไงไม่ต้องอดทนเลยนะไม่ต้องอดทนเลยเราก็ต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่เราภาวนาตัวออกบวชนะ ตอนนี้เราเตรียมอารมณ์เตรียมจิตใจร่างกายเราก็เตรียมเนี่ยไม่แข็งแรงอย่าห่วงเรื่องสมองนั่นเรื่องเล็กเทคโนโลยีเรื่องเล็กนะเมื่อร่างกายจิตใจอารมณ์เราแข็งแรงเนี่ยเรียนรู้อะไรก็เร็วนะเทคโนโลยีไปอ่านโปรแกรมมันเรื่ดเรื่ดก็เป็นแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนรุ่นใหม่อีกอันนั้นเรียนเมื่อไหร่ก็ได้โรงเรียนที่ญี่ปุ่นอนุบาลปถมนี่ยเขาไม่ให้จับเทคโนโลยีเลยไม่มีหรอกมือถือ เขาผลิตขายทั่วโลกนะอนุบาลเนี่ยเขาสอนให้ช่วยเหลือตัวเองแปลงฟันเป็นกินข้าวเองเป็นล้างถ้วยล้างจานอะไรช่วยเหลือตัวเองพอปถมปุ๊บเนี่ยให้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมสิ่งแวดลอ้อมนี่เขาเตรียมคนไงเมื่อคนมันมีศีลธรรมมีคุณธรรมมันให้มันก็รู้สึกดีแต่ตอนนี้ถ้าเราจะเอาจะเอามันเราให้ไม่ได้พอเพื่อนมาแย่งไปหน่อยหนึ่งเราก็ทุกข์ไงล้วก็โกรธเห็นไหม อารมณ์เราจะดีได้ไหมไม่ได้เนี่ยถ้าเราเตรียมร่างกายจิตใจอารมณ์เราดีก่อนเนี่ยนะไอเรียนเรื่องเรียนเทคโนโลยีเรียนวิชาการเรื่องเล็กจิบจ้อยถ้ามีสมาธิมีสติอ่านเพานึงก็เข้าใจละไปถึงมัธยมปีที่สองนะค่อยๆให้มาเรียนเทคโนโลยีมันไม่ได้ยาก เทคโนโลยีเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้พวกเรามันด้เรียนนะเราเล่นเทคโนโลยีเราเก่งเกินไปตั้งแต่เด็กๆช่วงวัยเด็กๆนั้นต้องเตรียมร่างกายจิตใจอารมณ์เราก่อนเตรียมเครื่องมือของชีวิตเห็นไหมวิชาการมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยทุกวันนี้นะนะึก ว, ว่าทุกวันนี้การศึกษาล้มเหลวและผู้ใหญ่เนี่ยสามด็อกเตอร์สาคนนี้สอนวิชาอะไรรู้ไหมเนะี่ บริหารการศึกษาไงและพวกนี้นี่บริหารการศึกษาแล้วมันจะสอนให้พวกเราฉลาดได้ยังไงมิให้ไปท่องจำท่องจำท่อ ง, องจำ <Yeah. S 1> คิดแก้ปัญหาตัวเองก็ไม่ได้ <Yeah. S 1> แคนต้ต้องชำระโง่ oh, ขนาดนั้น <Yeah. S 1> ถ้าเราให้อภัยมันสักครั้งหนึ่งเห็นไหม เราก็ไม่ต้องไปทำสร้างกรรมหนักแล้วเราก็ไม่ต้องตายด้วยเห็นไหมยังมีเวลาเหลืออยู่ทำคุณประโยชน์มากมายแก้โดยแค่ให้่ไผครั้งหนึ่งจบแล้วไงอันนี้แค้นจนเขาบอกว่าสี่หปีก่อนวางแผนจะฆ่ามันเลยนะยังอดมาถึงสี่ห้าปีแสดงว่าทุกข์มากแล้วไม่ใช่ตายแค่สามคนนี้นะและ้วครอบครัวล่ะลูกหลานล่ะญาติพี่น้องล่ะมันทาให้หลายๆคนเสีย เสียใจแบบนี้นะอันนี้เป็นกรรมหนักนะนั่นแหละคนที่ไปทําเขาไว้ให้เขาแค้นนี่ก็เป็นกรรมก็ตกรับกรรมก็ต้องถูกยิงตายไงนะไอ้คนนี่ยิงเขาตายเขาก็ต้องยิงตัวเองไม่มีใครมีความสุขเลยนะงานนี้ลูกเมียครอบครัวทุกหมดเพราะครูชี้ให้ทุกคนเห็นนะว่าการศึกษาทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นไงคุณหมอบางท่านมาปฏิบัติที่นี่พอเสร็จวิ่งเข้าไปในป่าตอนนั้นยังไม่มี เขตสงนะไปสู่บุรีสู่บุรีกลับมาพระคุณหมอเพรา ะ, ราะ ถ, ถามว่าคุณหมอสอนคนไข้สูบไหมไม่คุณหมอสูบทำไมเนี่ยความรู้ไงคุณหมูหมอรู้เรื่องสุสขภาวะมากที่สุดเลยคุณหมอทำไมทำร้ายตัวเองเนี่ยความรู้ทุกวันนี้มันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตมันไม่รู้มันเป็นาธาตุของความอยาก จำไวน้นะลูกวิชาการเรื่องเล็กช่วงสั้นๆไม่กี่เดือนเนี่ยเรามุ่งมั่นเตรียมความพร้อมของเรานะอย่างอื่นเรื่องเล็กนะเทคโนโลยีเอ่ยวิชาการไหนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เตรียมความพร้อมให้ตัวเองก่อนเก่งเก่งเก่งเก่งเห็นไหมเราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งมาจากชนบุรีเหมือนกันเก่งเรียนเกรดสี่แล้วก็ จะเดี่ยงเด็กดีกลายเป็นเด็กเดี่ยงเอาไหมไม่เอาชีวิตเราคือกายจิตอารมณ์เราต้องเตรียมความพร้อมสามอย่างนี้เมื่อสามอย่างนี้พร้อมแล้วเรื่องอื่นเรื่องเล็กไม่มีใครเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็รู้หมดหรอกไม่รู้แต่ความรู้เหล่านั้นเน่ยเรียนรู้ง่ายมากพับเดียวนะ ถ้าเราฝึกศีลสมาธิปัญญาเรามีปัญญามีศีลแล้วมีความสมาธิสงบนิ่งเราเรียนรู้อะไรง่ายมากอย่าใจร้อนนะพ่อครูก็เตือนบ่อยๆลูกอดเปรี้ยวกินหวานจำคำนี้แม่นๆนะถ้าใครทำให้เราเห็นอารมณ์เราเนี่ยมีสติปุ๊บต้องไปกราบเขาสวยๆนะเขาทำให้เราเกิดปัญญาปัญญายังไง ทำให้เราเห็นอารมณ์เราหนนี่วิปัสสนานะไม่ใช่ไปโกรธโกรธโกรธจนตัวเองนอนไม่หลับนะ่ะแล้วก็แค้นฝะสะสมความความไม่พอใจกลายเป็นพยาบาทตัวเองก็แบกของหนักอยู่ตรง น, นั้นแหละอันนี้โง่นะพวกเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้านะถ้าเราทำได้ ด็อกเตอร์ต้องมาเรียนวิชานี้กับเรามันจะได้ไม่ต้องตายไงฮะเราจะสอนด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์เราก็สอนได้สอนให้เขามีชีวิตยั่งยืนมากกว่านี้แล้วก็เขาจะใช้วิชาเขาจะเรียนมาทำประโยชน์ต่อมวลมนุษยเสียชาติไม่ใช่ใช้วิชาเขามาทะเลาะ ก, กันมาฆ่ากันมันน่าเศร้าใจมากเออมันสะท้อนให้เห็นไง ให้คนจุดสูงสุดเกี่ยวกับการศึกษามันยังเป็นแบบนี้มันจะสอนให้ลูกหลานเรามันฉลาดได้ยังไงพวกเราต้องฟังพ่อครูนะลูกเราบุญเยอะแล้วล่ะอย่าใจร้อนอย่าใช้โอกาสที่เรามีโอกาสตรงนี้เนี่ยให้มันผ่านไปเฉยเฉยไปน้อยใจไปเสียใจไปอารมณ์เบื่ออะไรๆกับเรื่องไร้สาระไม่เอาลูกตื่นนะ มีความสุขทุกวันนะเวลาเราทำงานอะไรก็ทำอย่างมีความสุขพาะครูเน้นบ่อยๆอยาอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานนี่สำหรับคนมีความมีปัญญานะถ้าคนมีแค่ความรู้มันสุขไม่เป็นมันทำไปด้วยก็เครียดไปด้วยอัดอั้นตันใจเป็นวาายหลายปีสุดท้ายก็ระเบิดตัดสินใจแบบบ้าๆบอๆ ไม่เสียดายเลอบ้านเมืองลงทุนเปิดโรงเรียนทุ่มเทงบประมาณให้เราเรียนบางทีพ่อแม่ก็ลงทุนให้เราเรียนรัฐบาลก็ลงทุนพ่อแม่เราลงทุนเราก็ลงทุนเวลาชีวิตเราเนี่ยจากอนุบาลจนถึงด็อกเตอร์เนี่ยเกือบครึ่งค่อนชีวิตนะยี่สิบสามสิบปีเลยนะเออเอาเวลาไปเรียนให้เราโง่เห็นไหมเรียนแล้วก็ให้มันเครียด เรจะเรียนไปทำไมเรายาวแบบเขานะฟังพระพุทธเจ้านะไอ้เรื่องเก่งเรื่องเล็กขอให้เรามีกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขเดี๋ยวมันเก่งเองถึงจะไม่เก่งเราก็ไม่เดือดร้อนไงอยากเก่งมาแล้วชนะคนทั้งโลกไม่ได้เห็นไหมไอ้ที่ทะเลาะ ก, กันสามคนนี่อวดเก่งทั้งนั้นแหละต่างคนต่างไม่ยอมแพ้กันนะ ก็ตอนนี้มีกระทรวงหนึ่งนะกำลังจะติดต่อกับแก้วทิพ์อยู่เนี่ยจะเชิญพวกเนี่ยพวกครูกับญาติที่ทำสามสี่คนไปบรรยายเพราะกระทรวงนี้ด็อกเตอร์ห้าร้อคนมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงข่าวแบบนี้อีกนะยิ่งแข่งกันมากเท่าไหร่เขายิ่งกลัวแพ้ไงเพราะต่างคนต่างเก่งไงเห็นไหม ตอนนี้เขาต้องมาอาศัยชาวป่าอย่างพวกครูเนี่ยไปบอกเขานะต้องมีโอกาสเรียนแล้วหนูเราเรียนเรียนวิชานี้ฝึกให้มันจริงจรยั่งยั ง, งแล้วต่อไปเราจะช่วยมนุมนมนมนมนษยชาติช่วยโลกโลกมันหลงทางแล้วล่ะนะยุคนี้นี่วิชาไหนมันก็เรียนจบด็อกเตอร์กันเต็มไปหมดละ่ะตอนนี้มันเหลือวิอาชีพหนึ่งที่มันขาดแคลนคือผู้นําทางจิตวิญญาณ แะพวกเราไม่ใช่นับนั บ, น, บ, น, บนับหนึ่งใหม่นะกว่าจะเรียนอนุบาลด็อกเตอร์เราก็ตายก่อนเหมือนกันนะของเราแค่เบี่ยงไปเอาของเก่ามาต่อยอดเนี่ยปัญญามันผุดขึ้นมาลูกต้องทุ่มเทนะของเรามีปัญญามาหลายชาติแล้วเราก็แค่กลับมาเอามาฟื้นฟนูต่อไปเราก็จะช่วยด็อกเตอร์ได้ให้ด็อกเตอร์มอีอายุยืนยาวกว่าเป็ น, ป, นปัจจุบันอย่าไปเหอตามสังคมนะลูก ฟอลโล่อิสเมียนบีไฮทว่าหลังมันบอกว่าตามไปว่าไม่ทันมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันจะไปตามมันทันได้ยังไงนะอยู่กับโลกให้ได้ดูเท่าทันโลกไม่ต้องไปตามมันอยู่กับโลกให้ได้คําว่าให้ได้ก็คือว่าอยู่อย่างมีความสุขถ้าเราอยู่ด้วยงอนด้วยโกรธด้วยทุกทุกวันเนี่ยเราอยู่กับโลกแล้วมันเสียมันเสียชีวิตอันนี้คนโง่ ทำรายตัวเองทำไมคนฉลาดต้องต้องมีอยู่กับโลกให้ได้ก็คือว่าได้ความสุขทุกวันอยู่ไปด้วยทุกไปด้วยอันนี้อยู่แล้วมันไม่ได้มันเสียชีวิตนะใจเย็นๆลูกนะเออมีโอกาสเตรียมตัวร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วให้มันแข็งแรงแล้วก็เราก็เรียนวิชาการควบคู่ไปด้วยอย่าไปเครียดกับมันได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้น เดี๋ยวเก่งมากเกินไปเดี๋ยวมันจะฆ่าตัวตายอีเอาดีไว้ก่อนไม่ต้องเก่งดีก็ดีแค่พอดีนะส่วนมากติดดีทั้งนั้นแหละมันถึงเถียงกันนะฉันดีกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอไงมันถึงฆ่ากันไงเนี่ยมันติดดีติดดีก็ไม่ดีติดชั่วก็ไม่ดีทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีแล้วก็ละชั่วด้วย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 บรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน